อโธสาไทายสมันติสกจังธรรมโมโซตโพตีรับดำรดดดับในนี้ไปรับฟังธรรมิกถาซึ่งเป็นว่าตรมมคำสั่งสอนของ ส, เสมสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากขึ้น <S 2> <S 2> เพื่อปโุโเราจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เกียรติทนในโอกาสต่อไปธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยปกตินั่นแหละ มีเป็นจำนวนมากธรรมะมีมากพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาอากาพฤติกรรมทางใจมีมากเท่าไรธรร ม, มะคำสั่งสอนของอูค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็มีมากพอๆกันกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของสัตว์ทั้งหลาย ฉะนั้นในวันนี้ก็จะนำธรรมะบางส่วนดังกล่าวมาพูดให้พูดออกฟังพอเป็นแนวการปฏิบัติเป็นแนวความรู้นำ ป, นปฏิบัติให้เกิประโยชน์เก่ตนดงนั้นก็คือเรื่องของขันห้า ซึ่งพวกเราก็มีอยู่กันอยู่กันทุกคนเนี่ยแหละมีตั้งแต่บันเกิดจนถึงวันสุดทายของชีวิตเนี่ยแหละปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เราอยู่เราอาศัยคันหน้านี้ฉะนั้นพูดในเรื่องของคันหน้าทาความเข้าใจในคันหน้าให้ชัดเจนขึ้นอ่าเพื่ออะไร เพื่อเราจะได้เข้าใจในเรื่องของหน้าชัดของกันหน้าชัดเจีนนั่นแหละการปฏิบัติทอะไรก็ตามที่เราจะปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็ดีจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้าก็ดีหรือที่ผ่านมาแล้วก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องขอนฐานของศีลของภาวนาต่างๆนาน า, นานเนี่ยเกี่ยวกันหน้ า, น, านี่แหละปฏิบัตินะ ฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันหให้ชัดเจนมันมีอยู่สองมุมในเรื่องของคันหาในมุมหนึ่งก็สร้างประโยชน์ให้แกเราในมุมหนึ่งก็สร้างโทษให้แกเราดังนั้นมันอาจจะมีการสอบถามคุยกันไปด้วยก็ได้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของคันหาให้ชัดเจนขึ้น ในเบื้องต้นก็มารู้จักธรรมะขันหะก่อนขันหะคืออะไรก็ขันหะก็คือรู้ ไหนไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่การเกิดของกายไม่สําคัญเท่าไรแต่ก็สําคัญถ้าไม่มีปฏิสุทธิอัญญาการเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดมีขึ้นดังนั้นนมประกอบสามพอาการจึงเป็นหลักสําคัญของการเกิดขึ้นในกองกานา <c oughs> ทีนี้ พรพุจะรู้ว่าในส่วนของกายก็คือบิดามานดาเป็นผู้สั่งสมทําให้เกิดขึ้นในเรื่องของกายในเรื่องของใจก็เป็นเรื่องของเราสําคัญนะสําคัญคําว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่มาปฏิสนธิก็คือใจจิต ก็ได้ใจก็ได้วิญญาณทางเรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกว่าปฏิสันธิวิญญาณหรือธาตุดูหรือตัวรู้ผู้รู้ก็ได้ทั้งหมดเนี้ธรรมาดูแล้วนะ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็คือตัวรู้นั่นเลยทั้งหมดนี้คือตัวรู้เขาทำความเข้าใจแค่ผู้ฟังว่า ตัว ร, รู้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนในมุมของการปฏิบัติพูดปฏิบัติจะเห็นเพียงตัวรู้ตัวเดียวเท่านั้นพวกเราลองปฏิบัติ ด, ดูดูก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าเอาดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะหาจิตไม่เจอ ถ้าเราดูว่าจิตอยู่ไหนเนาะจิตอยู่ไหนเนาะเราก็จะไปเห็นรู้เห็นตัวรู้นั่นแหละก็ดูดูเดียวนี้ก็ได้เราจะไปหาวิญญาณเนี่ยมันก็ไปเห็นรู้อย่างเดียวแหล ะ, ะพูดง่ายๆว่าในกายกระใจเนี่ยมันมีสองตัวเนี่ยตัวที่เรามองเห็นเนี่ยที่ว่าใจเนี่ย ก็คือรู้รู้รู้อยู่ตรงไหน น, นั่นก็คือเราอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันนะว่าไม่มีอะไระรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเราไว้ก่อนในความเป็นพุทุชนนี้ฉะนั้นสิ่งที่ตัวรู้เก็บมาพร้อม การเกิดการปฏิสนธินั่นก็คือความดีและความชั่วความเฉลียวฉลาดความโอ้ต่างๆนานานะนำมาด้วยตรู้ตอนปฏิสนธินนำมาด้วยเอามาด้วยเมื่อเข้าอยู่ในท้องบรรดาเนี่ยตัวรู้ที่เก็บงําความดีและความชั่วนั่นนะก็จะมาตกแต่ง ผ่านไปประมาณสักสีอาทิตย์โดยประมาณตูรู้ที่มีความดีความชั่วยอยู่ในตู้รู้นั้นแลลวเขาเก็บงามาแต่ก่อนเหมือนกับเราพวกเราทั้งหลายกำลังเก็บงาความดีโดยการฟังธรรมก็ดีความดีโดยการให้ทานก็ดีความดีโดยการรักษาศีลก็ดีต่างๆนานาในเรื่องของถความดี หรือความชั่วอื่นๆที่เราก็อาจจะาอาจจะเิบัติก็อาจจะมีการกระทำบ้างนะสลับกันไปเหล่านั้นตัวรู้คือตัวจิตนี่แหละตัวรู้นี้มันก็เก็บงงาเก็บงงาสะสมความดีและความชั่วนั้นไว้ที่ตัวรู้นี่หละเวลามาปฏิสุนทิมันก็เข้าประมาณทักสี่เดือนสามสีอาทิตย์ มันก็เข้าไปตกแต่งร่างกายของให้ผู้ให้ผู้เราเป็นไปตามเป็นไปตามความดีและความชั่วความเฉลียวฉลาดความงู้ต่างๆนานาแต่งแต่งร่างกายนี่ร่างกายของเราให้ลองรับเหมาะสมกับความดีและความชั่วของเราที่มีอยู่ในตัวรุนนั้นแล้วก็ไปตกแต่งพรโลกนั้นให้เป็นไปอย่างนั้น การความช่วเยอะความชั่วที่ทำให้ปากแหว่งจมูกโหวเขาก็จะไปลดโคมาโมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความบกพร่องทำให้เด็กนั้นเกิดเพดานโหวจมูกโหวพบไอ้เพดาน โ, โหนโ่อะไรเนี่ยอย่างนั้นจริงๆคนไหนสังสมความชั่ว้เยอะ เกิดมาก็เป็นคนที่มีสติปัญญาง้อเขาเบาปัญญาเกิดมาก็เป็นงู่มากๆก็เป็นดาวชิ้นโดมไปเลยเขาไปตบแต่งอย่างนี้นะวามดีและควขมชั่วที่เราสะสมเก็บกรรมในนวัตนาวันนี้นะี่ความฉลาดเราเก็บกรรมบ่อยๆอเป็นคนฉลาดเฉลียวฉลาด ก็เก็บเงาความความฉลาดนั้นก็ไปตกแต่งสมองต่างๆนานาให้เกิดเป็นผู้มีไอคิวสูงคือตกแต่งหลองรับฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ทุกท่านทุกคนขณะนี้ที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันน่ะกิริยามารยาทตลอดถึงความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือสิ่งที่เรากระทามา ในส่วนที่เป็นอดีตส่งผลมาเป็นอย่างนี้นี่คือเจ็บมาอย่างนี้ตัวรู้นเะนี่ยตัวรู้เป็นเรานะไว้ก่อนอย่าพึ่งไปทำลายมันยังไม่มีการประพฤติอะไรเรามาทำความรู้จักคำว่าเราไว้ก่อนตรงนี้ก่อนนะนี่คือถ้าสองตัวนี้จยร่วมกันก็เป็นชีวิต คลาดกมาก็มารับสมาติต่างๆตามอายตนะภายในภายนอกรู้จักโน้นจักนี่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปรับสมาิเรื่อยๆรับมาจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เราก็กำลังรับสมมติเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆที่อาจารมาพูดยูน่นี่กำลังให้ความรู้ทางอายตนะการในหูได้ยินยนะนะ แล้วก็จะเก็บความความรู้เหล่านี้ไว้ถ้าคนได้ตั้งใจฟังเสร็จแล้วก็นําเอาความรู้นี้ไปใ ค, คาคขวนพิจารณาให้เกิดความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการคายขวนพิจารณาในเรื่องใดๆต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาก็ดีเหล่านั้นเรียกว่าปัญญานะปัญญาตัวนี้ก็จะไปขัดเก่านความมู่ ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนขึ้นอันนี้พูดให้ฟังพอเป็นแนวในเรื่องของชีวิตมันเกิดขึ้นมาแล้วสงองสองส่วนเป็นชีวิตในชีวิตนี้เขาเรียกว่ามีกายกับใจมันเกิดตอนนั้นและกายกับใจนี้แหละคือขันห้าเ <c oughs> ข้าใจนะคือขันห้า หนรูปรูปก็คือร่างกายของพวกเราทุกส่วนอาการสามสิบสองเป็นเรื่องของรูปอาการทามสิองทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของรูปอันที่สองก็คือเวทนาเวทนาเป็นอาการของตัวรูปอันนี้เป็นส่วนของของนามนะ ส่วนของรูปก็คือมีอันเดียวคือรูปคือร่างกายส่วนน้ำก็มีอยู่สี่ข้ อ, อหนึ่งเวทนาเวทนาเป็นอาการของตัวรู้เ้าใจนะเป็นอาการของตัวรู้รับทราบเวทนาทางกาย วิทานามทางกายมีอะไรบ้างอ่ะก็ไปไลด่ดูถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องใส่ใจใเราไล่ดูว่าวิทนาตทางกายคืออะไรวิทานามมีอยู่สามวิทยานามนะวิทนาหนึ่งก็คือสุขวิทนาอันที่สองก็ทุกขวิทนาอันที่สามก็ไม่สุขไม่ทุกข์ทุกขมสุขวิทานามเนี่ยมันมีสามอย่างถ้าเรามีแต่ทุกอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ ถ้ามีสุขอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ต้องมีอาโทคันเซมัสุ ข, ขาด้วยอสลับกันไปทั้งหวานทั้งขื่นเป็นอยู่อย่างนี้ในเรื่องของกายใจเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของเวทนาเหล่านี้เป็นผู้รับผลผู้นี้รับผลอบางทีเราก็ดีใจบางทีก็ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนของกายก็คือทุกข์กันเกิดจากร่างกายใจเป็นผู้รู้ นะเป็นผู้รับรู้กายไม่รู้เรื่องนะอันที่สองเวทนามีอยู่ทั้งทางกายด้วยทางใจด้วยทางใจก็เรียกว่าโสมนัตโทมนัตเกิดขึ้นจากความพอใจเกิดขึ้นจากความดีใจเกิดขึ้นจากความไม่พอใจเกิดขึ้นจากความเราร้อนใจต่างๆนา น, นาเหื่องี่เรียกว่าเป็น ควมสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจทางใจเกิดข้างทางตัวรู้ตัวรู้เป็นผู้รับทราบแล้วความทุกข์นั้นเกิดอขึ้นจากสิ่ ง, งอื่นๆนั่นแหละซึ่งจากอายต น, นะนะั่นเองอายตนะเส้นได้เห็นเสียงไม่ไม่ถูกใจก็ไม่พอใจก็เลยว่าโทมานัดใจเบสตัวรูน้นี่รู้อย่างเดียวเนะี่ยไม่ได้ทาอะไรรู้อย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวตอนนั้นเนะ่ อันนี้พวกเราพอเข้าใจนะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของทันห้าในข้อที่หนึ่งของนามข้อที่สองก็คือสัญญาสัญญาคือความจำใครเป็นผู้จำก็ตัวรู้เป็นผู้จำมาตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้เราจำอะไรไว้บ้าง แล้วถอยไปอีกเราจาอะไรได้บ้างถอยไปเราก็จำวันเกิดได้จำวันแต่งงานได้จำวันคลอดลูกได้จำมันก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนานา น, า น, านั่นคือความจำความจำเป็นอาการของตัวรู้เป็นตัวรู้นั่นแหละเป็นผู้จำไว้ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีต ท, ที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นจากอายตนะ เกิดเกิดจากหูถัดทางตาทางหูจมูกรีนกายใจรูปนี้เป็นรูปสามีรูปนี้เป็นรูปภรรยารูปนี้เป็นรูปน่นรูปนี้รูปนี้ต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะความจําบางคนก็มาไปทําลายสัญญาอา ก็ถูกก็ถูกต้องแล้วทำลายสัญญาแต่ว่าไปทําลายขวด ม, มันทำถืมันในสัญญาแต่สัญญาทาลายไม่ได้มันเป็นกระบวนการทํางานของขันมันก็มีอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราจํานั่ะเป็นเป็นโทษเป็นคนต่อเราอย่างไงมันเป็นทั้งโทษทั้งกลุ่มด้วยนะอสิ่งที่ต่ําเรื่องที่จํานั้นเป็นสัญญา บางทีเราไปเจอคนไม่พอใจคนไม่ถูกกันนะผู้ร่วมงานด้วยกันนะมกักจะแย่งแย่งกันเราก็ไปเจอแล้วเราไม่พอใจก็เกิดเป็นทุกข์ึ้นมาบางเรื่องเรารู้จักสลัดในรู้จักสลัดเรื่องของเรื่องที่จำทิ้งบ้างอันนี้ก็เราก็จะอยู่พาสุก นะบางเรื่องก็เนี่ยเรื่องของความจําเขาดา่าเขาพูดเสียดสีอย่างน้นอย่างนี้พวกเราก็จําดีจําได้ดีเลยนะ<ส>คิดึ้นมาตั้งไหนเป็นทุกข่างไหนนะนะเรารู้จักสลัดทิ้งบ้างไหมละ่ะถ้า ร, ารู้จักว่าเออช่างมือนแต่มันเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดจริงๆด้วยแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ดับจริงๆเนงะี้ยมันเกิดเมื่อวานมันก็ดับที่เมื่อวานนี้ มันไม่เหลืออะไรมันเหลืออยู่ที่เราจําสัญญาตัวนี้เป็นต้น <c oughs> มันเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของลูกอดีในเรื่องของเสียงก็เช่นเดียวกันในเรื่องของกลิน่นรสพุทธปาตมลุ่มต่างๆนานาที่มันกระทบกันก็เรียกว่าภัท ส, สะในอดีแล้วเราก็จําเรื่องเหล่านั้นมาบางเรื่องเป็นเรื่องประทับใจจํามาจนวันนี้จนถึงวันตาย คิดกนมาที่ไรมีความเปิดพื้นเปิดเพืเ้นพิธีอินดีในเรื่องที่เป็นความดีในเรื่องที่มันไม่ดีจะคิดที่ไรก็เศร้าหมองทุกครั้งไป แ, แล้วก็คิดอยู่หลังนี้แหละแล้วก็เศร้าหมองอยู่อย่างนี้จากตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นั้งถึงวันตายคิดขึ้นมาเศร้าใจทุกครั้งไปเรารู้จักสลัดไหมสลัดทีเหรอ สารัยังไงถ้าเรื่อเหล่านี้มันเป็นทุกข์มันแก้ไขไม่ได้เพราะมันจบไปแล้วเมื่อห้าปีก่อนเมื่อสามปีก่อนเมื่อวานนี้ต่างๆนั่นแนหะมันเกิดขึ้นแล้วเราเที่ยงได้ไหมตาดทิ้งอ่ะคือไม่คิดต่อไปบุคคลที่มันเป็นกัญญาสีโรงพยาบาลสีธัญญาอะไรต่างๆเพราะมันคิดไม่ตกมันไม่รู้จากทิ้งอ่ะ เรื่องที่เป็นอดีตเป็นความทุกข์ไม่รู้จักทิ้งเรื่อเป็นช่วงสุขคิดแล้วเปิดเพี่ยมใจอันนี้ก็ไม่เป็นไรที่มันที่มันเป็นทุกข์นะเรารู้จักทิ้งบ้างก็จะทำให้เราอยู่ภาคสุขนะตัดทิ้งก็คือไม่คิดต่อคิดขึ้นมาที่ไรก็ทิ้งเลยเพราะมันจบไปแล้วแล้วก็มันก็จบจริงๆฮนะ ก็เราเป็นบ้าที่ไหนจะมาจับในสิ่งที่ทาให้เกิดทุกข์ไว้อยู่ตลอดชีวิตละ่ะเราต้องมีปัญญาเราต้องใครควรให้เกิดปัญญาในเรื่องนี้ถ้าเรารู้จักคิดใค่ควรว่าเออมันจบไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้สอนตัวเองบ่อยๆใจมันก็ยินดีออมรับว่าเออเราก็บ้าจริงๆนี่งงแหละก็ไม่คิดก็ตัดทิ้งไปความรู้ที่เกิดจากการใค่ควรตรงนี้ เ็เรียกเ็เรียกว่าปัญญามอนกันก็ทำให้เรารู้จักโป่งได้มันจะปรงได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องเข้าไปสัมผัสเครื่องราวต่างๆนั้นด้วยการใคร่ควรหาเหตุผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเรื่องนั้นยังไงถ้าเราคิดแล้วได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่คิดแล้วมันได้อะไร วันนี้เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยเราก็อยู่พาศุกเงียบเงียบอยู่เฉยๆก็เก็บเป็นเรื่องเก่านะํามากิดฮะเรื่องไม่ดีก็ทำให้เกิดความเป็นทุกข์มีหลายๆผู้หญิงโดยเฉพาะก็ไปทำแทง้งทำแท้งเสร็จแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ ทีไรก็มาเป็นทุกข์บางคนก็มาปรึกษาเราก็เลยรู้ความเป็นจริงของผู้หญิงว่ามันเป็นอย่างงี้ก็เลยหาวิธีแก้ถ้าคนไหนเชื่อก็จบไปเลยสัตว์ทั้งหลายมาเกิดก็เกิดด้วยของเขาหรอบางทีก็ไปว่าเราไปสร้างให้มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเราก็ไปทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นทุกข์ทุกอ ย, อย่างอย่างเงี้ยเนะ่ย เราบอกว่ามันไม่ใช่เขามาเกิดเองเหมือนกับเรามาเกิดเรามาเองเราเลยถามเคยไปถามพ่อเรามาั้งไงไหมล่ะถามพ่อถามแม่ว่าพ่อตอนก่อนที่ลูกจะเกิดเนี่ยพ่ออยากจะให้ลูกเกิดมาไหมพ่อก็จะตอบว่าอ๋อกูก็อยากให้ให้มันเกิดนั่แหละพ่อก็จะตอบเหมือนแต่ตัวจริงๆแล้วเข้าไม่ได้ไม่ได้คิดว่า คนนี้เคยเป็นพ่อก็จะรู้เลยเนีะนะ่ยไมนใช่ว่าจะให้มันคนนี้มาเกิดผู้นี้มาเกิดผู้นั้นมาเกิดอะไรหรอกมันก็เกิดมาเองถ้าเกิดมาเองเพราะเรามีกรรมเป็นของของตนไงเราก็จึงได้มาเกิดและเขาก็มีกรรมเป็นของเขาไะเราทำแท้งเราก็ทำบาปไงบาปไปไปคิดไปบ่อยๆรู้จักสลัะทิ้งเลยมันจบไปแล้วไง เราทิ้งไปแล้วเราคิดเม่อไหร่เราก็เป็นทุกข์่านั้นเหมือนเราไปทำบาปอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่ไปคิดสิบทีอยู่ทำบุญก็ไปเหมือนกับเราไปทําบาปสิบครั้งไง่เราก็เป็นทุกข์อยู่โดยตลอ ด, ดเราอย่าไปคิดในสิ่งที่มันเป็นบาปเรารู้จักสลัดทิ้งบ้างถ้าไม่รู้จักก็ก็ทําความเข้าใจแล้วครับว่าสลัดทิ้งคือยังไงเมื่อสลัดทิ้งแล้วรู้สึกสบายไหมอย่างเงี้ย ถ้าเราสลัดทิ้งได้แล้วครั้งที่หนึ่งเราก็คิดใหม่เราก็สลัดทิ่งอีกเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในการดำเนินชีวิตก็ดีในเรื่องของการแก้ไขก็จะไม่มีวันทางแก้ไขให้บาปนั้นหมดไปบาปนั้นมีอยู่ถ้าเราทำบุญเอาอุทิส่วนกุศลําได้บ่อยๆนะบ่อยๆพวกนี้เป็นทุกข์ขึ้นมาเจออะไรก็ไปหา สันาทานไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้อุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อว่าเขาจะได้อดโทษให้ต่างทา ง, ทา ง, ทางนานาเขาว่ากันไปก็เป็นความเชื่อเป็นความจริงหรือไม่จริงเครื่องหนึ่งไม่จริงเครือ่องหนึ่งเนี่ยอ่าุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขาได้รับหรือเปล่าได้รับไม่ได้รับนั่นแหละคือจริงบ้างไม่จริงบ้างได้รับบ้างไม่รับบ้าง มันมีองค์ประกอบมันอยู่ถ้าพูดแล้วมันก็จะยาวอันนี้มันเครื่องชั่วโมงไปแล้วไนงะยังไม่ได้พูดเรื่องคณะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้จักสลัด น, นะนะรู้จักสลัดไม่ว่าแต่เรื่องที่พูดนี้เรื่องนื่นก็ตามที่มันเป็นความชั่วรู้จักสลัดทิ้งบ้างเพราะคิดก็ไม่เกิดประโยชน์ปงก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นคือได้รับทุกใจทุกครั้งไป เป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของสัญญาใช่ไหมอ่าเรื่องของสัญญาเป็นอย่างนี้เรื่องเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้อ่ะเรารู้จักสลัดทิ้งเราก็อยู่พัลสุกในเรื่องของสัญญาสัญญาไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างที่เราอยู่ของชีวิตได้อยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้สัญญามีส่วนสําคัญในการดําเนินไปของชีวิต ถ้าไม่รู้จักบ้านเข้าบ้านไม่ได้แต่ไม่รู้จักว่าอคนนี้เป็นสามีเป็นภรรยามันก็ยุ่งเอ ต, ต่างๆนานาสัญญาเป็นประโยชน์อย่างนี้แต่อ ย, ย่าไปยึดว่าสัญญานี้เป็นเราเป็นของของเราเป็น ค, นคนานคนคนสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรอันนี้ค่อยว่ากันเพราะอะไรทั้งมั้ยพรุทธเจ้าทั้งสอนไว้ไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของของเราล่ะ อันที่สามก็คือรัตนาสัญญาสังขารสังขารคือการปูงแต่งการปูงแต่งเป็นอาการของตัวรู้ตัวรู้ก็คือใจนี่แหละถ้าพูดถึงใจมันหาไม่เจออันงติวานี่ก็ไปใจตัวรู้นั่นแหละเลยอัตมาใช้กวามตัวรู้ใช้ตัวรู้หมดเลยเพราะตัวรู้ง่ายดีตรงต่อกลมเป็นกิงของมัน มันรู้ทุกเรื่องอ่าใจก็ใช่ไม่ได้ปฏิศเสธ ก, กันไปจิตก็ใช่วิญญาณก็ใช่อ่าก็ไม่ได้ปฏิศเสธแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถึงตรู้ก็ต่เข้าถึงจิตก็ดีเราจะต้องเข้าถึงตรู้เท่านั้นหาจิตไม่เจอนะหาวิญญาณไม่เจอนะอันนั้นเป็นชื่อแต่พฤติกรรมจริงๆคือรู้ไง นะเป็นความจริงนะต้อมาเข้าถึงตัวรูนะพูดแล้วก็หาว่าคุยใอก่ละไม่ใช่คุยพูดให้เห็นว่าสิ่งนี้เข้าถึงได้จริงจริงเรียกให้มันดูไงพอเราจะได้เข้าไปดูว่าตัวรู้คือยังไงถ้าไปเห็นตัวรู้แล้วมันก็เห็นหมดเลยเห็นจิตเป็นรู้เห็นใจเป็นรู้เห็นปัญญาเป็นรู้มําไปหมดเลย การเข้าถึงตะรู้ได้เนี่ยสำคัญนี่สาคัญนะธรรมาเคยพูดมเมื่อเช้านี้คุยกันธรรสันปัจชัญญะเป็นปัจจุบันคือพูดง่ายๆว่าดนนิฉันอยู่ในปัจจุบันค่ะถ้าถามว่าปัจจุบันยังไงปัจจุบันคืออะไรวันนี้เป็นปัจจุบันไหม เดี๋ยวนี้ปัจจุบันหรือเปล่าเมื่อสามเดือนก่อนเป็นปัจจุบันไหมอะไรเงี้ยปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือการมันมาดูแล้วนะดูแล้วสัมปัจชัญญาคือปัจจุบันบุคุณผู้ใดอยู่ในสัมปัจชัญญะได้บุคุณผู้นั้นอยู่ในปัจจุบัน ก่อนจะเข้าถึงสัมปชัญญะคือการรู้ตัวเนี่ยจะต้องะระลึกรู้ตัวก่อนความลรลึกตัวการะระลึกรู้ตัวนี่เขาเรียกว่าสติฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะในบริบทนี้มาพร้อมกันนะแต่ว่าสติมาก่อนคือตัวอยากอยากจะรู้ตัวมาจากตัวรู้ควมะระลึกรู้เป็น อาการของตรูนะการรู้ตัวรู้กายทั้งหมดเนี่ยคำว่ารู้กายคำว่าธรรมปัญญาคือรู้ทั้งหมดนะรู้ทั้งหมดกายเนะี่ยทําไม่ได้ไม่ได้รู้ชุดในส่วนหนึ่งของกายนะถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเช่นขณะ น, นี้เรากําหนดลมหายใจเข้าออกอเรากําหนดลมหายใจเข้าออก แล้วลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าเห็นไหมอ่มามนรู้น ะ, ะหายใจออกเราก็รู้หายใจออกนะเราในที่นี้คือตัวรู้นะตัวรู้ไปอิงอยู่กับลมหายใจหรือลมหายใจ เป็นตัวให้ตัวรู้อิงอิงอยู่กับโลมหายใจเทียนตมะบอกว่าเราเข้าถึงตัวรู้ไม่ต้องอาศัยองิงไม่ต้องอาศัยลมอิงไม่ต้องอาศัยพุทโธอิงไม่ต้องอาศัยกสิณานนีนนอิงเข้าถึงตัวรู้เลยอดโ ด, ดโดดไปเลยนี่คือกระทังตัูมันได้ประโยชน์อะไรประโยชน์มากเลยถ้าเราจะพิจนะถ้าเราจะบวา ถ้าเราจะดูว่าหรือเราจะชำประชัญนาเนี่ยเราจะรู้ตัวทั้งหมดเนี่ยบางทีรู้ได้ยากทั้งหมดนะถ้าดูลมหายใจเข้าออกเป็นส่วนหนึ่งของกายลมเป็นส่วนหนึ่งของกายการดูลมเข้าการรู้ลมบ อ, อกการรู้ลมยาวลมสั้นอันเนี้ยมีที่ยิง ให้ตัรู้อิงลงเป็นที่อิงของตรูความระลึกได้เห็นอาการของตัวรูรับทราบรู้และเลือกรู้การเข้าการออกของลมตัวรูก็รับรู้ตามที่ระลึกนั้น <c oughs> มันก็สับไปสับมาอยู่ที่นี่แหละถ้าไม่ละเอียดไม่เห็นหรอกมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ดับเร็ว เกิดเร็วด <s heit emen> ับเรวเกิดปับไปเลยไปเลยยกตัวอย่างเช่นตาตาเห็นลูกปั๊บตาเห็นลูกปั๊บตัวรู้อยากจะรู้เรื่องที่เห็นนะนะตัวรู้นะอยากจะรู้อยากจะรู้ในเรื่องที่เห็นก็ไประลึกรู้ในเรื่องในในตาสิ่งที่ตาเห็นนั้นไประลึกรู้เขาเรียกว่าปัจจะต้องระลึกรู้รู้ก่อนถึงจะเป็นปัจจะ จากพรอ่าพอรูร้ระ ล, ลึกรู้เสร็จแล้วก็๊ตัวรู้ก็เข้าไปดูรายละเอียดของรูปที่ตาเห็นนั้นเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดก็เรียกว่าจักูกิญญาณ <c oughs> คือนั้นต้องเข้าไปดูรายละเอียดอันสามอย่างเนี้ลิ้งปุ๊บเดียวไปถึงหนดเลยจักูกิญญาณอันนี้นี่นี่พูดให้ฟังก็ก็เป็นหนึ่งสองสามสามรายการ หนึ่งอยากรู้สองมาเลืกรู้อ่าแล้วก็สามดูรายละเอียดของดืขอเขาของสิ่งที่ตาเห็นนั่นถ้าไม่ดูรายละเอียดก็ไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นพ่อเราอ่ะรูปนี้เป็นแม่เราอ่ะรูปนี้เป็นลูกสาวเราไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ไปดูรายละเอียดเขาเรียกว่จจาจะคุยาณโสตาขานะจิวหาเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้คือการปูงแต่งอ่า เราพูดถึงเรื่องของการพวงแต่งใช่ไหมวันนี้อืสัญญาสางาังหารเคยพวงแต่งนี่นะพวงปีงไปตามเรื่องราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้กวันนี้เราใส่สิ่งเหล่านี้แต่เราไม่รู้นะตัวเราไม่รู้ถ้าเรารู้มันก็จะดีแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันยุ่งพูดให้ฟังว่าชีวิตมีองค์ประกอบอย่างนี้เราก็ต้องรู้ไว้เป็นแนวทาง เพื่อเราจะได้ละได้ทนในสิ่งเหล่านี้ในโอกาสต่อไปความปงแต่งจากสิ่งเหล่านี้อเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างสังขารเนี่ย น, นะปรงแต่ง <c oughs> เป็นอา ก, การของตัวรู้ตัวรูร้เก็บเรื่องอะไรมาปรงแต่งก็เร <c oughs> <c oughs> ื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอย่งที่พูดให้ฟังนี่แหละมาปรุงมาแต่ง ก็ไปยึดติดว่านี่พ่อกูแม่กูอะไรต่างๆหัวกูเมียกูจริงจังโดยไม่คิดว่ามันจะแตกสลายจากเราไปไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าจะต้องอยู่กับเราชั่วการนานซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างนั้นอนี่คือสัญญาอันนี้คือสังขารส่วนวิ ญ, ญญาณนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลกัตมาก็มีความเปลี่ยนแตกไปจากร่กางฐาทั้งหลาย ก็เที่ยวการพูดใน้พวเราฟังไม่กลัวหลบเ <c oughs> พราะว่าเราเห็นอย่างนั้นนะวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้คือวิญญาณผู้รู้อารมณ์ก็ได้ถ้าแปลตามตัวท่นานแปลไว้ให้แล้วเราแปลไม่ผิดเพราะเราเรียนไม่ถึงอไงนะจิตคือผู้รู้อารมณ์ท่นานแปลไว้วิญญาณคือคู่รู้อารมณ์ ในบริบทนี้ในอห็นก็ว่ากันไปปฏิสุณธิวิญญาณกับใจก็อีกบริบทหนึ่งนะ <c oughs> ใจก็คือผู้รูร้อารมณ์ธาตุดูก็คือรูร้อารมณ์ตัวรู้ทีเทตมาพูดอยู่นี้ก็คือผู้รูร้อารมณ์เลยตัวเดียวกันนี้เห็นไหม <c oughs> วิญญาณตัวนี้เกิดเวลาตาเห็นรูปท่านท่านอธิบายเวลาตาเห็นรูปปั๊บก็เกิดวิญญาณขึ้นมาก็เรียกว่าจักูวิญญาณความรู้เกิดขึ้นจากทางตาเป็นญาณวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วโตดวงหนึ่งเสร็จแล้วท่านหูได้ยินเสียงนแล้อ ก็สตาวิญญาณนะปัญญาเกิดขึ้นมารับรู้เสียงนั้นความรู้เกิดจากเสียงมีห้ามีหกอันนะแต่อัตอมาก็ไปเห็นเพียงตัวรู้ตัวเดียวนั่นแหละตัวตัวจังแต่มาปฏิสนทีเนะี่ยตัวนี้ยื่นพื้นมา ตุ่นถึงไปจมันเวลาตายเห็นรูปตัวรูปก็อยากจะเห็นรูปอยากจะรู้รูปอยากแล้วก็ระลึกรู้รูปนั้นเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นภัจจัยก็เรียกว่าปัจจัอแล้วทีนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดของรูปนั้นตัวรูปเข้าไปดูรายละเอียดของรูปนั้นก็รู้ว่ารูปนั้นเป็นสามีเราเป็นพันธญาเราเป็นรูปเป็นหลานเราใช่ไหมรูปทุกรูปที่ตาเห็น ไม่ใช่ว่าจะเกิดผัสสะทุกเรื่องทุกรูปทีิฏฐเห็นเนี <workout> ่เรามองไปนี่เห็นหมดเลยไม่ใช่ว่าเราจะรู้เป็นปัสสะทั้งหมดก็เราสนใจนี่สนใจอย่างเงี้ยโอ้ก็เลยดูรายละเอียดโอ้ไอเนี่ยสื่อเนี้ยอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยละเอียดอย่างนี้เลยแต่ว่าที่เราพูดนี่คือหนึ่งสองสามเแต่ว่าถ้าจะให้มันเกิดมันก็เกิดตื้นเลย เราสามารถที่จะมองเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ดับไปเราสามารถก็ตัวรู้ตัวนั้นนะเยืนรออยู่รู้ตัวรู้ตัวเดิมนั่นแหละยินรออยู่เมื่อตายหลูปมันก็อยากรู้ลูดถ้าถ้าถ้าตายรลุแล้วมันได้ยินเสียง กระทบมาอย่างแรงเนี่ยตัวรู้ก็สนใจอะแล้วก็ไปเลือกว่าเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วยายหนานี่ยมันด่ากูนี่นะอะไรโอ้นี่มันยกอ่องกูเนี่เยเขาไปดูรายละเอียดอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีรายละเอียดอย่างนี้เลยชีวิตเราอยู่กับอย่างนี้ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันนี่เดี๋ยวนี้เราก็กำลังรับทราบในเรื่องเหล่านี้อยู่ในการภัฒนา ในอายตนาอยู่เดียวเนี่ยนะเนี่ยนี่คือความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตในเรื่องของวิญญาณก็อย่างนี้ไม่อมีวิญญาณเกิดขึ้นใหม่แต่หลางใหญ่เป็นวิญญาณคือตัวรู้ตัวเดียวนั่นแหละรู้อยู่เราไม่ได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นเลยก็ตัวรู้ตัวเดียวมันรู้โบานรู้วันรู้อันนี้มันก็รู้อย่างนี้ ถ้าตัวใหม่มันคงจะไม่รู้จักว่ารูปเมื่อวานนี้จำได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวใหม่แต่ตัวเก่าอันนี้มันตัวเก่านี้มาเลยตลอดนี่ <c oughs> นี่คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสัญาญาณวิญญาณได้อธิบายพอสังเกตให้ใกพวกเราฟังแล้วเพราะว่าเป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาพูดว่า ขันธ์ห้าไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ใช่ของของเราขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้แล้วท่านสอนบุคคลที่ได้โสดาบันด้วยนะสมัยหนครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัดสโรใหม่ๆท่านพยายามที่จะพลิ พระอริยะโดยเฉพาะยิ่งคือพระาราหันใหมาข ก, กินก็จะออกเวยแร่พระาศาสนาท่านก็เขี่ยวสอนปัญจวัคคีทังหาี่ป่าอิสิปัตนะมะเรฆาไยวันสอนจนได้มรุ้โสดาบันทังหารูปโกนทัญญาวะปะพัทยามาหานามาจฉิสอนจนได้มรุ้โสดาบันหมดเลย เสร็จแล้วท่านก็สอนอนัอนตตระคณะสูตรที่ปลายสิบปัตาตานะเลรุกัทาวิยานนั่นเองทวนว่าขันหะไม่ใช่เราไม่ใช่ของกองเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเราท่านก็ถามกลับไปกลับมาใช่หรือไม่ไม่ใช่ยังไงอะไรเงี้ยปัญจวิคีก็ตอบว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลย ท่านก็สอนไปอีกจนได้จบในเรื่องของการสอนอนัตตลการอนัสูตรท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระราหันทั้งหมดเลยเป็นว่ามีพระราหันหกรูปรวมทั้งวงชุมเถรสมาคมพระพุทธเจ้าก็ออกเผยแผ่พระาศาสนาพูดในเรื่องนี้ก็เพื่อจะให้พวกเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนความเป็นหล่อรูปเวทนาสัญญาสังการเวิญญาห้าตัวเนี่ยเป็นขันธ์ห้า ไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใครก็ <c oughs> เคยพูดื่องไงว่าตัวรู้นี่แลยคือเราใช่ไหม <c oughs> ถ้าฟังมาคงจะเข้าใจนะตัวรู้นั่นแหละเป็นเราไว้ก่อน <c oughs> ไ้ก่อ น, ไ ว, อนไว้ก่อนมันมีน ม, มันนีตัวรู้มันจะไม่เป็นเราในทุดทายต่อเมื่อเราละขวมยึดมั่นถือมันได้แล้วเราเนี่ยที่นี้คือตัวรู้มันละ ความยึดมั่นถือมันในกายในจิตได้แล้วคนเป็นเราก็ไม่มีตัวรูยยร้ยังอยู่หรือไม่อตัวรู้ยังอยู่หรือไม่ออันนี้ยเมื่อกี้เนี้่ยตมาะเขียนหนังสือพิยมคนนี้ก็ตามวามาภาวนาะด้ยวยแต่รู้งกไง เดือดเจ้ากรมอะไรเน oh ี poser, ้ยโอ้ไม่ก็จะเดินเขียนหนังสือเขียนหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปบาทในมุมปุตุชนเพื่อให้พวกเราได้อ่านรู้เรื่องถ้า่อนี้กว่าจาย์ตมณิอยู่ไม่ควรจะเขียนคําว่าปุตตุชนเพราะธรรมะในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นนาประมาชันสูงไม่ควรจะใส่คําว่าปุตทุชนเข้าไป ควรจะเขียนอย่างอื่นอัตมาก็มาใกล้โวนก็รับฟังต้องมาใกล้ขวนแล้วร็ยังใช้คัว่าปฏิจจสมุปบาทในมงมูุดุชนอยู่เหมือนเดิมทิฏิมา น, หนาหรือเปล่าทำไมกุมาจะน <c> ย <oughs> ทำไมไม่เปลี่ยนล่ะอ๋อก็ด้วยเหตุด้วยผลนี่เนี่ย ก็ถามในที่ประชุมนี้ก็ได้ไม่ใช่หาสเสียงนะถามว่าอวิชชาเป็นคุณสมบัต <loro> <es S 2> <het lawyer> ิของใครอวิชชาเป็นคุณสมบัติของใครเห็นไหมนะก็จะนะอวิชชามีอยู่ในปุถุชนเท่านั้นนะ ปฏิสันที่วิญญาณเป็นของใครในเรื่องของวิญญาณอวิชชาเป็นนี้ยได้เกิดสังขารสังขารความปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางๆบ้างเป็นของใครก็เป็นทั้งพระอรหันต์เป็นทั้งพระโสตาเป็นทั้งพระปุถุชนนั่นแหละทั้งปุถุชนนั่นแหะตัวนี้ยนะเพราะสังขารเป็นนี่เกิดวิญญาณ่วิญญาณก็ เพราะสังขารเป็นเหตุเกิดเดินยานเพราะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปวิญญาณในที่นี้ก็เป็นปฏิสุนที่วิญญาณถ้าไม่มีปฏิสุลที่วิญญาณก็ไม่มีนามรูปนามรูปจะต้องมีเพราะท่านเขียนไว้แล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นเหตุเกิดนามรูปและปฏิสุลวิาณเป็นใครเป็นของใครไม่ใช่ เป็นของใครเป็นของพระอหันต์หรือของปุ้ตุชนปฏิตุโนที่วิญญาณล่ะผูนะ้ตุโชนนะปุ้ตุชนที่เคยใครเกิดปหรอพระรหันไม่เกิดนะนามรูปล่ะเป็นของใครล่ะก็ใช่ไหมล่ะอันนี้คือเหตุผลไงตัญหาใช่ อุปทานพบชาติไม่คือเหตุผลที่ยังคงไว้ว่าปฏิจปจปฏิจจสมุบาตใน ม, มุมปุตุชนก็พูดให้ฟังเดี๋ยวเกิดทนังสือออกมาเดี๋ยวกลัวจะเกิดวิจารยอย่างใหญ่ พ่อครัาอาจารย์ที่เคยมานี่แหละด้วยกันนี่แหละท่านติงอยู่ไม่ควรจะใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันมันต่ําเกินไปเพราะธรรมะตัวนี้เป็นธรรมะชั้นสูงปฏิจจสมุทต์ท่านทั้งหลายเป็นบอกว่าเป็นธรรมะชั้นสูง <c oughs> ก็ใช่ไงพูดถึงเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายของการเข้าถึงตัวนี้ก็เป็นภาระหันเนี่ยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก็พิจนาปฏิจจสมุปาทนี้ปย์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไงแต่ว่ามันก็ต้องมาจากปุถุชนเนี่ยอย่างที่กล่าวมาเนี่ยในปฏิจจสมุปาทท่านก็ไม่ได้สอนให้ทำอะไราในเรื่องของปฏิจจสมุปาฏนั้นนะก็เป็นการให้ความรู้ให้พวกเรามีความเห็นตรงว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาเพราะปัจจัย ไม่ใชเกิดขึ้นมา่อยๆอย่างนี้เป็นต้นให้พวกเรามีพื้นฐานตรงนี้ไว้แต่ทุกวันนี้พวกเราอาจจะไม่มีพื้นฐานอย่างนี้ด้วยก็ไปเชื่อว่าเราจะเลื่นขึ้นเพราะเจ้าพ่อช่วยเราเพื่อมีนะใช่ไหมล่ะเราได้ดดได้ดีเนี่ยเราสอบได้นี่เพราะอะไรเพราะเจ้าพ่อเจ้าแม่เราไปอ้อนวอนมาช่วยพระสารพระภูมิหน้าบ้านเรา ไหว่ทุกวันมาช่วยเราคนคิดอย่างนี้ลยไหมถ้ามีก็เป็นความเห็นผิดคัดต่อปฏิจจสมุปบาทนั้นฉะนั้นถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทถึงใจเราจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เลยนะท่านสอนให้เรามีมพื้นฐานของควารู้ในเรื่องของควาเชื่อตรงนี้ตรงไปตรงมาต่อเหตุและปัจจัยนั้น แต่เรื่องเราจะทำความพ้นทุกข์อะไรต่างๆมันก็มีธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในส่วนอื่นเส้นตติปทานสี่เส่นอะไรต่างๆนานามีเยอะท่านสอนแต่เรื่องของตปฏติจะสมรั ก, ก็สอนให้รู้ว่าสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้หมดไปสิ่งนี้ก็หมดไปก็บอกแค่นี้ <c oughs> ถ้ามันจะตายเพราะอะไร คุณอยู่เฉยๆตายไม่ได้หรอกที่มีปัจจัยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมราจะนั่จงจะเรียนต้องมีปัจจัยไ <c oughs> ม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยบางทีปัจจัยนั้นเราหาไม่เจอก็มีนะใช่ไหมเคยสึ้ัว่าบ น, นะ น, นี้บ่อยนะจนไม่รู้ทำไมไม่ถูกอะ่ะเพราะมันไม่มีปัจจัยปัจจัยนั่นคือคุณงามความดีของเรา ได้สั่งสมหมาหรือเปล่าลอกเสียสละเราเคยทำอย่างนี้มาในอดีตไหมมันมาให้ผลมันตามมากับตัวรู้เนี่ยนะอ่ามันให้ผลเราไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่มีเราทำบนสมทานเรามีตั้งร้อยล้านเราก็ทำเพียงห้าสิบบาทแค่ น, นั้นเองใช่ไหมละ่ะแล้มันก็ไม่ได้สามดสองล้านอย่างเขา ผลพ้นมันยังไม่ให้ปัจจัยที่ม า, าปิดอย่างนั้นบางที่เรามองไม่เห็ น, นไอดีเราสั่งสมคนดีอะไรไบางไม่รู้ใช่ไหมล่ะตำารรมในมมปัจจุบันนี้เย อ, อะกัดใจทาแต่ก็ดูในการดำเนินชีวิตต่อด้วยนะ <c oughs> ถึงเวลานะเหลืออีกเพียง5้านาทียังไม่ได้ถึงไหนเลย ฉะนั้นเราก็คงจะรู้เลยนะว่าขันห้าคืออะไรในมุมต่างๆนก็พยายามที่จะให้พวกเราเข้าใจว่าขันห้าทุก ท, ทุกคนมีขันห้าอล้วอย่างนี้มีสองมุมที่ว่านี่หนึ่งการสะสมคุณมงามความดีคนที่สะสมเรามีหน้าที่ทำเราในที่นี้ก็คือตัวรู้นี่แหละมีหน้าที่ บ, บังคับ คือในตัวรู้นี่มันมีกิเลสข้าในะมันมีกิเลสคืออวิชชามันตั้งอยู่ในความรู้ตั้งอยู่ในตัวรู้นั้นอวิชชาตั้งอยู่ในตูวแต่ท่านไม่ได้สอนว่าตั้งอยู่ในที่ไหนเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมไม่ได้บอกว่าอวิชชาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนก็บอกดุลว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นเหตุเกิดวิญญาณ เพราวิญญาณเป็นให้เกิดตามรูปเพราะนารูปเป็นให้เกิดอายตน 12, ะสิบสองเพราะ อ, อายตนะสลายอายตนะเป็นเหให้เกิดปัสสะที่พูดมาให้ฝังนั่นเลยเพราะปัสสาะเป็นนี้เกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดความอยากคิดตัณหาเป็นเรื่องของผู้ทุจริงหรือใช่ไหมล่ะอ่า มานั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้รายละเอียดเรื่องเหล่านี้ยังมีเรื่องที่จะควรจะพูดให้ฟังก็เยอะเลยนะที่เราพวกเราอาจจะไม่ได้ฟังนนะอะไรเย่างนี้เพราะตั้มาเข้าไปคุกคกีเรื่องเหล่านี้ย <c oughs> อยังยกตัวอย่างด้วยเวลาที่หนึ่นหนงห้านาที <c oughs> จิตเกิดดับ <c oughs> ใช่ไหม จิตมันเกิดดับอ่ก็เรานึงไม่รู้กี่ดวงไม่รู้กี่ละพันหมื่นดวงจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอ <c oughs> พราเราก็เชื่อว่ามันเกิดมันดับใช่ไหมพอจิตมันเกิดดับนะอ่อ <c oughs> <c oughs> เกิดกิจเจ็ดดับจิตดวงหนึ่งดับไปกิจดวงหนึ่งดับไปดวงใหงงม่ก็เกิดขึ้นมาอ่านพูดอย่างนี้นนะแต่ตะมาไม่เห็นจิตดับนะทำไมไม่เห็นจิตเกิดดับด้วยไู้ทำอไรโดยในตำนานในพัะนาพิฎกก็จิตเกิดดับใช่ไหม ไม่เห็นเกิดเกิดดับตัวรู้ไม่เกิดไม่ดับเช่งที่เกิดดับคืออารมณ์ทีนี้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เรารับอยู่เดียวเนี้่อารมณ์ใดก็ตามที่เรารับอยู่เนี่ยอารมณ์เช่นความรักอ่ามันจะชัดเจนกว่าความชังความเกลียดอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนกว่า ความอารมณ์ต่างๆมีเยอะแยะนะแต่ว่ามันชัดก็คื อ, อยังเรามีอารมณ์ความรักอยู่เรากําลังอินกับความรับในอารมณ์นั้นในอารมณ์รักนั้นอยู่เพอเพ้อมีอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เกลียดขึ้นมาเออพุ่งขึ้นมาตัรู้สนใจขณะที่ตัวรู้รับอารมณ์รักอยู่เนี่ยตัวรู้สนใจแลื่ตัวรู้สนใจ ก็ไปละเลิกรูอารมณ์เกลียดนั้นแล้วก็ติดตามเรื่องราวของอารมณ์เกลียดนั้นเกลียดนั้นไปอารมณ์รักก็ดับไปเอารมณใหม่จะเกิดก็เกิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาอารมณ์มันดับไปแล้วอารมณ์ใหม่ถึงเกิดขึ้นไม่ใช่อารมณ์ใหม่อารมณ์ตัวรู้ไรับอารมณ์ใหม่ตัวลมเก่าก็ดับมันยุ่งไหมล่ะยุ่งไหมล่ะ ทานเราไปดูจริงๆมันไม่ทันอารมณ์นะเราก็ทันอารมณ์บ้างไม่ทันบางท <c oughs> ีแต่ก็รู้เป็นแนวได้คือมันมันอย่างเงี้ยมันต้องอารมณ์คือไม่นีทิ้งอารมณ์เก่ายังไม่ทิ้งอารมณ์เก่าอารมณ์มใหม่ผ่านมาและตัวรูนะ้เนี่ยเราสนใจก็ไปเลือ ก, อกรู้ออารมณ์ใหม่รู้อารมณ์ใหม่ไปเนี่ยรู้ไปรู้ไป ไปรั่วรวมใหม่แล้วก็มันไปเรื่อยๆว่าอั น, นี้มันดาแล้วก็อย่างนี้คํานี้มันหลายอวุ่นวายไปเลยอารมณ์เก่าดับไปแล้ว <c oughs> อ น, นี้อารมณ์ใหม่จะเกิดขึ้นก็ก็กระทิ้งอย่างนี้แหละก็อารมณ์ใหม่มาแล้วก็เกิดสนใจแล้วก็ไปเราลึกรู้ก็เกิดผัสสะก็รับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าจิตเก่ามันดับไปอะ เวลาดองใหม่มันขึ้นมาแล้วมันรู้เรื่องเรื่องที่จิตดวงต่อมันทำอะไรไว้มันรู้เรื่องแม่ใช่ไหอืมคนดีต่างๆที่เราทำมาในอดีตจิตมันเกิดมันดับมันดับเปิดมันมพราะมันรู้เรื่องในอดีตที่จิต ดวงกอนมันทําไว้มันรู้เรื่องไมล่ะแต่ตัวรู้นี่นนมันเก็บมาเรื่อยๆอยู่ๆนี่มันไม่กระดับเลยนีย่เก็บมาเรื่อยๆพระพุทเจ้าสาร้างบุญบารมีมาใช้เวลาเท่าไหร่มันปาดทั้งหลายเข้าไหมใช่ไหมมีคุณอะไรนี่บุญสอง เขาเป็นพิธีกรเขาพูดได้ดีน ะ, ะพรพุทธเจ้าสั่งสมบุญกุศลมาทั่วมือรกกัฐาภิสัโกดใครเป็นคนจำว่าพุทธเจ้าสร้างมาคนดูยุทีพระพุทธเจ้าทำมานั้นอ่ะใครเป็นคนเก็บไหว น, น, น, นี่ไหมนี่แหละจิตเกิดกดับเกิดดับเกิดรับ แล้วมันไม่ทิ้งไปหมดเหรอควมดีทั้งหลายเหรอนั้นไม่ทิ้งไปหมดเหอรอดวงหมเกิดก็มาทำหน้าที่ใหม่แล้วสักดอยก็ดับไปเรื่อยอแต่ตัวูเนี่มันไม่เกิดไม่ดับไอัตมาเห็นอย่างนี้นะมันไม่เกิดไม่ดับอย่างนี้มันก็เก็บํำมาเรื่อยมาเรื่อยๆฉะนั้นคำว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเพราะอะไร บุญทรงเพราะการเก็บสะสมใช่ไหมนั่นเห็นไหมเพราะการเก็บสะสมของตูดในเรื่องของความดีอนชั่วจริงมีวันนี้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตุดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเหตนเกิดมีกรรมเป็นผู้ที่ตามและมีรกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราจะทำกรรมอั น, นไดไหมเราจะต้องได้ผลกรรมนั้นสุดาย เพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะการสะสมใครเป็นผลสะสมบอกุณส่งเห็นวันหลับอยู่นี่ตัวเราคือใครไม่ตัวเราคือใค ร, รคอคร่ะ ใ, ใช่ถ้าพูดอย่างนี้ถูกใจคนเทศ เราไปพูดจิตเนี่ยมันตามหาไม่เจอหาจิตไม่เจอหาดูเถอะลองไปหาก็จิตใครจิตมันหาสิก็จะไปเห็นตัวรูอวร้อย่างเดียวเห็นรู้อย่างเดียวในมุมของการปฏิบัติจะเห็นตัวรู้ตัวเดียวรู้หมดเลยไม่ <c oughs> ได้ไปเถียงใครนะเท่าที่เห็นนี่นะ <c oughs> ฉะนั้นก็เนี่ยมันเลยเวลาไปห้านาทีนั่นนะ <c oughs> ฉะนั้นใน ม, มุมของขันห้ามีหน้าที่อยู่สองประการ ม, ม, ม, มีมุมอยู่สองมุมมุมหนึ่งสร้างควมดีเราใช้ขันห้าสรางควมดีเราใช้ขันห้าทํำความชั่วเราคือตัวรู้ไงกักิเลสคือกิเลสกัตัวุูมอยู่ด้วยกันเหมือนกับน้ําแก้วเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ต้องสีลงไปนะ่ จับลงไปนี่แล้วก็ขยอยเสหน่อยเราก็จะเห็นเป็นสีใหม่นะสีกับนานคนละอันาาใช่ไหมแต่มันอยู่ด้วยกันนะกิเลสกับตรู้อยู่ด้วยกันในตัรู้มันมีสองภาคภาคหนึ่งคือกิเลสบังคับให้มีการทำดีทาชัว่วอย่างน้อย่างนั้นภาคหนึ่งก็คือคุณธรรมความภายไฟดีในตัวรู้มันมีอยู่ นั่นได้พูดขึ้นเองพวกเราก็มีใชไหมคุณบุญทรงมู่เช้านี่ก่อนจะมานี่ก็คิดอนาคิดหลัง่ะจะมายังไงอะไรอย่างไางไรเราจะพร้อมอะไรบ้างใช่ไหมเพื่องไฟดีนะไฟดีนะเนี่ยตัวไฟดีมันมีอยู่อ่าอย่างเี้มันก็ไฟดีมันก็ทําทั้งดีทั้งไม่ดีทีนี้ทํายังไงเราถึงจะทำคนดีให้ได้มากขึ้นเราก็ต้องเห็นโทษของความไม่ดี การเห็นโทษนี่เราจะเห็นยังไงเห็นอยู่ตัวที้ต้องหาไงต้องหานะข้างในนอก